ชีวประวัติย่อรพระอาจารย์สุวัสดิสุวโจจากหนังสือเนื่องในงานพระราชทานเพลงิงศพพระโพธิธรรมาจารย์เถรสุวัสดิวโจพระเดชพระคุณพระโพธิธรรมาจารย์เถรสุวัสดิวโจท่านเป็นสิทธ์ต้นของท่านพระอาจารย์ฟั้นอาจารโรและได้ฉายานามจากท่านพระอาจารย์ฟั้นว่ามือขวาเดิมท่านชื่ออุ่ง สกุลทองสีเกิดเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2462ตรงกับวันศุกร์ขึ้นสี่ข้าเดือนสิบปีมาแม่ณ ห, หมู่บ้านตาโกกตำบลตาโกกอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์บิดาชื่อบุตรมารดาชื่อกึ่งทองสีท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาห้าคนท่านเป็นบุตรคนกลาง มีพี่ชายสองคนมีน้องสาวสองคนถิ่นฐานบ้านเดิมบิดามารดาเป็นชาวสุรินแท้ๆเชื้อสายเป็นชาวขาเขมรโบราณและได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมาตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายเป็นร้อยปีมาแล้วจนกระทั่งสายเลือ ด, ดจิตใจกลมกลื่นเป็นคนไทยเต็มภาคภูมิบิดามารดามีอาชีพทำนาทำสวน พระอาจารย์สุวัตตอนเป็นเด็กรูปร่างกิริยาท่าทางเป็นเด็กฉเฉลียวฉลาดบึกบึนผิวเนื้อดำแดงพระอาจารย์สุวั์เล่าชีวิตในวัยเด็กไว้ว่าตอนเช้าก็นําวัวควายไปเลี้ยงเรามีวัวสองตัวควายหนึ่งตัวไปเลี้ยงวัวควายมือหนึ่งก็อุ้มน้องคนสุดท้องอีกมือหนึ่งก็จูงน้องอีกคนส่วนป่า ก, ก็จะตะโกนไล่ควาย เทีวิ่งไล่ต้อนวัวควายอยู่กลางทุ่งช่วยบิดามารดาคราดไถปลูกข้าวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เวลาว่างก็ไปจับปูจับปลาหาอาหารตามประษาเด็กบ้านนอกพอตกตอนเย็นเย็นพวกเด็กเลี้ยงควายก็จะจูงวัวควายของตนไปที่แหล่งน้ําเพื่อให้วัวควายอาบน้ํากินน้ําพวกเราเป็นเด็กเลี้ยงควายก็จะขึ้นชีหลังควายกระโดดน้ําอย่างสนุกสนานดําผุดดําว่าย บางทีก็มุดไปใต้น้ำแอบจับแข่งขาเพื่อนๆถ้าในน้ำมีผักก็จะเจ็บผักกลับบ้านจับกบจับเฉียดจับปูจับปลาถอนสายบัวแดงที่เกิดในน้ำจะมุดเด็ดเจ็บมาจินกับน้ำพริกหรือทำเป็นเครื่องแจงก็ได้ชีวิตเด็กบ้านนอกไม่มีอะไรมากวันๆต้องทำงานขยันอดทนถ้าขี้เกียจพ่อแม่จะตีจะดุบางวันออกไปเที่ยวเล่นบ้านเพื่อน พ่อแม่ก็จะสอนว่าไปเล่นบ้านเขาอย่าไปนั่งนานเสียเวลางานของเราให้กลับมาเร็วๆเถอะลูกถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ใช้ไปทุระบ้านคนอื่นเขาไม่อยู่ต้องไปนั่งรอจนกว่าเขาจะกลับเมื่อกลับมาถึงบ้านก็จะบอกแม่ว่าแม่อย่ากโกรธนะที่ไปนานไปนั่งรอเขาอยู่รอจนกว่าเขาจะกลับมาเขาไปหาเฟิร์นอยู่จึงต้องนั่งรอคอยเขาเมื่อพูดอย่างนั้น แม่ก็ไม่ว่าอะไรพอตกตอนค่ํามืดก็ไปตำข้าวกับพวกสาวๆเราเป็นคนตําเข้าเป็นคนฝัดข้าวตามประสาหนุ่มสาวบ้านนอกบางทีพวกสาวๆก็เอาบุหรี่มาให้สูบนอกจากนี้บางวันก็ยังได้ชวนพวกเพื่อนๆรุ่นเดียวกันออกไปหาของป่าเช่นหน่อไม้ยอดตําลึงผักขมยอดผักหวานยอดขี้เหล็กเพื่อเอามาต้มแกงให้เป็นเครื่องเยียวยาอัตภาพร่างกาย บางทีช่วยพ่อแม่ทอหูเรียกว่าตําไหมน้อยสีขาวเอาไว้ตัดเสื้อผ้าไม่ต้องหาซื้อจากที่อื่นเราก็มีชีวิตเช่นเดียวกันปกติธรรมดาเหมือนชาวบ้านทุกๆคนนอกจากนั้นยังมีหน้าที่คอยดูแลน้องๆที่ยังเล็กอยู่ต้องคอยอุ้มพาไปเที่ยวนอกบ้านบ้างอาบน้ําป้อนข้าวสุดแต่ความสามารถของตนซึ่งธรรมชาติทั้งปวงก็ชวนให้รักใคร่ พี่น้องพ่อแม่ของตนทั้งญาติมิตรบ้านใกล้เรือนเคียงในชีวิตที่ทุกยากลําบากในวัยเด็กนั้นได้กลายเป็นผลดีในการต่อมาเพราะทางแห่งชีวิตที่ตกรกระทำลำบากนั้นได้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่ายิ่งบทเรียนนั้นยังตราตรึงอยู่ในความรู้สึกของเราเสมอความลําบากนั้นสอนเราไม่ให้อ่อนแอท้อแท้ สอนให้เรารู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองโดยไม่ต้องหวังพึ่งบุคคลอื่นเมื่อรู้จักพึ่งตัวเองได้แล้วจิตใจจึงมีแต่ความอ่อนโยนไม่อ่อนแอจิตใจแข็งแกร่งไม่แข็งกระด้างมีเมตตาอารีสงสารสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากทั่วทุกนามแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเช่นเสือช้างหมีหมูป่ากระรอกกระแตทั้งหลายก็ยังได้พึ่งพาอาศัายใจอันเปี่ยมด้วยเมตตา ในการต่อมาในปัจจุบันพอเราอายุได้12ปีใจที่อยู่กับเรามาเป็นเวลานานก็เกิดความใคร่ในการบัพชาทั้งที่ก่อนหน้านี้ใจนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยอยากอยู่กับพระเนนอยากเข้าไปรับใช้พระเนในในวัดเห็นเด็กวัดอยู่กับพระกำเนนเดินตามพระเนนอยากเป็นอย่างเขาบ้างอยากให้ชีวิตสงบระงับมีความฝักใฝ่ตั้งใจอยู่อย่างนั้นลึ ก, ลก คิดอยู่เสมอว่าเติบใหญ่ขึ้นมาต้องบวชเป็นพระต้องศึกษาหาความรู้ให้เกิดสติปัญญาเอาปัญญาที่มีอยู่ไปสอนแนะนำผู้อื่นต่อไปจะได้ไม่ต้องเป็นคนทุกจนทนโลกในขณะนั้นบิดามารดาให้ไปเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่โรงเรียนวัดกระพุ่มรัฐอันเป็นโรงเรียนวัดประจาหมู่บ้านเหตุที่ต้องเรียนหนังสือตอนโตแล้ว เนื่องจากปีพุทธศักราช2464รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงตราพระราชบัญญัติปฐมศึกษาฉบับแรกบังคับให้เด็กอายุตั้งแต่7ถึง14ปีต้องเข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนประชาบาลกำหนดให้ใช้คำนำหน้าชื่อว่าเด็กชายหรือเด็กหญิงนักเรียนในสมัยนั้น จึงเป็นเด็กนักเรียนตัวโตๆโตโตอายุมากๆโดยกันทั้งนั้นโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีอายุมากกว่านั้นก็มีเคยมีครอบครัวแล้วแต่ยังไม่เคยได้รับการศึกษาเรงเรียนมาก่อนเลยก็มีบางแห่งบางที่ทำเอาครูววุ่นวายโกลาหลนเลยก็มีอายุ20ถึง30ปีพึ่งจะเริ่มเรียนปหนึ่งบางคนเรียนได้ 1-2 ถึงเดือนก็เลิกเรียนไปจะเหลือก็เฉพาะพวกเด็กๆ เ, เท่านั้น จบะสมศึกษาปีที่หนึ่งบ้างะถมศึกษาปีที่สาบ้างก็ออกไปเพราะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเต็มที่แล้วสำหรับเราได้อุตส่าห์พยายามศึกษาเล่าเรียนอย่างแข็งขันโดยตลอดพอเลิกเรียนก็กลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าไปกลางทุ่งแบ่งเบาภาระพ่อแม่นำวัวควายเข้าคอกหาปูหาปลาเก็บผักป่ามาปรุงอาหารมื้อเย็นต่อไป ชีวิตก็หมุนวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นประจำถึงเราไม่เจ่งเลิดเลืออะไรก็นับได้ว่าเป็นเด็กมีไหวพลิบในห้องเรียนมีสติปัญญาดีพอสมควรเพราะตลอดเวลา4ปีการศึกษาเล่าเรียนไม่มีอุปสรรคการสอบไล่แต่ละปีก็สอบได้จึงได้เลื่อนชั้นขึ้นเรื่อย เ, อยเมื่อถึงปีสุดท้ายของการเรียน ก็สอบไล่ได้จบหลักสูตรชั้นปฐมศึกษาปีที่สอายุได้16ปีเต็มเป็นหนุ่มแตกพานก็เรียนจบพอดีเมื่อเรียนจบแล้วก็ได้ช่วยบิดามารดาทำนาทำสวนต่อไปทำนาเก็บเกี่ยวข้าวหนึ่งเกวียน36ถังขายได้20บาทนำเงินไปซื้อทองคำหนัก50สสตางค์เก็บไว้เมื่อมาคิดอีกทีว่า เราทำงานมาก็มากแล้วเงินทองกับความเหนื่อยที่ทุ่มเทลงไปก็ไม่ได้เท่าไรไม่สมน้ำสมเนื้อกันบางปีขายข้าวได้ไม่กี่บาทแต่ทำงานทั้งปีเหนื่อยยากเหลือเกินจึงเข้าไปเรียนวิชาช่างตีทองที่บ้านข้าไปเป็นลูกจ้างเข้าเสื้อก่อนแอบเรียนเอาวิชาสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำต้องละเอียดรอบครอบมีความพอดีในการกระทา อย่าให้สิ่งของที่มีค่ามากเสียหายการมาเป็นช่างทองนี้จึงทําให้เราละเอียดรอบคอบมากขึ้นวันหนึ่งตอนสายเราได้ต้อนวัวควายออกไปกลางทุ่งนาอันเวองว้างซึ่งเป็นฤดูเจ็บเกีเ่ยวที่ชาวบ้านทั้งหลายได้เจ็บเกี่ยวข้าวในนากันจนหมดสิ้นแล้วมองเข้าไปในกลางทุ่งนาอันเวิงวางนั้นจะเห็นลองฟางตั้งตรงเป็นยอดแหลม เหมือนยอดเจดีเป็นเจดีลอมฟางที่ตั้งตระงานชั่วคลาวอยู่กลางทุ่งนาแต่พออีกไม่นานนักลอมฟางนั้นก็จะถูกชาวบ้านทยอยดึงฟางนั้นออกไปทีละเล็กทีละน้อยให้วัวควายกินเจดีลอมฟางนั้นก็จะค่อยๆพังทลายลงเมื่อเรามามองเห็นดังนั้นใจมันก็ไม่ค่อยดีรู้สึกว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์จวนตัว ใล่เราเข้ามาทุกทีแล้วชีวิตของเรานี้ถูกบีบด้วยกฎธรรมชาติที่มีความสูญสลายไปตามกาลเวลาใจของเรานั้นมันดิดเดินอยู่ภายในร่างกายถ้าจะเปรียบก็เหมือนไฟกำลังไหม้บ้านคนผู้ที่อยู่ในบ้านต้องพยายามหาทางหนีตายออกมาจนสุดชีวิตกฎธรรมชาติที่กำลังเผาไหม้ชีวิตอยู่ก็เช่นเดียวกัน ใจที่อยู่ภายในนั้นก็พยายามสละชีวิตทิ้งก่อนที่ชีวิตจะตายถูกไฟเผามอดไหม้ทิ้งไปเปล่าๆ เ, เมื่อสิ้นสุดฤดูเจ็บเกี่ยว <S <S ก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานช่วงนี้แหละชาวไร่ชาวนาทั้งหลายเขาจะพากันเที่ยวเตตเตรตามงานมหอดรศพในหมู่บ้านอื่นๆบ้างไปรับจ้างทางานในตัวเมืองในเมืองหลวงบ้าง หรือหางานอื่นมาทำเพื่อเจือจุนครอบครัวบ้างส่วนเราในปีนั้นไม่ไปเที่ยวที่ไหนๆนั่งมองเมอยลอยทอดสายตาออกไปกลางทุ่งนาอันเวิงว้างที่มีแผ่นดินอันแตกระแหงมีลมหมุนเป็นเกลียวเล็กๆหอบเอาเศษหญ้าและฝางข้าวปลีวว่อนขึ้นไปบนอากาศเป็นกลุ่มก้อนเสียงดังวิดวิวมีเสียงกระดิ่งวัวควายดังมาเป็นระยะระยะ เหมือนเสียงสัมผัสพิเศษที่คอยกระตุ้นเตือนจิตใจให้รึกถึงบุญคุณของมันที่เคยคลาดไถ ท, ทำไร่นาจนได้ข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงชีวิตมองลงพื้นนาด้านซ้ายขวาใกล้ๆจะเห็นกองมูลวัวควายรี่ราดในกองมูลวัวควายนั้นยังมีแมงกุฎจีนำเอามาเป็นอาหารได้ก็ทำให้ฉุกคิดขึ้นว่า มูลวัวควายเพียงแค่นี้ยังมีคุณประโยชน์ต่อเราและต่อแผ่นดินในมูลนั้นยังมีแมงกุฎ จ, จี่ที่เรานํามาเป็นอาหารได้ส่วนมูลวัวควายนั้นยังเป็นปุ๋ยทําให้ข้าวกล้า ง, งอกงามทําให้แผ่นดินไม่แห้งจืดแล้วเราละ่ะมีประโยชน์อะไรบ้างที่มีคุณค่ากว่ามูลวัวควายนี้บ้างไหม เมื่อครุ่นคิดพิจารณาถึงชีวิตของตนดังนั้นก็ดำริภายในใจว่าเรานี้หนอก็เติบได้ใหญ่โตขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนเหมือนกับเขาขณะนี้เราก็โตเป็นหนุ่มแล้วชาวบ้านทั้งหลายที่เรามองเห็นอยู่ทุกๆวันนี้ดูแล้วแสนจะสับสนวุ่นวายเหมือนเจดีลอมฟางที่นับวันแต่จะเป็นเยือเป็นอาหารของวัวควาย นับวันจะถูกดึงอายุออกวันละนิดบันละหน่อยอายุมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตก็จะสั้นลงเรื่อยๆเหมือนกันชีวิตทุกชีวิตคล้อยเพื่อจะบ่ายหน้าไปสู่ความตายถูกลิด ร, รอนด้วยความแจ่และความเจ็บเหมือนฟางถูกดึงออกจากลอมฟางเพื่อนาไปเป็นอาหารให้วัวควายทุกๆวันเมื่อฟางนั้นถูกดึงออกเรื่อยๆลอมฟางนั้น ก็จะแสดงอาการเอ็นเอียงในที่สุดเจดีฝางนั้นก็จะพังทลายเหมือนชีวิตคนเราเกิดแฉะเจ็บแล้วก็ต้องถึงวันตายชีวิตทางโลกนี้เมื่อเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเที่ยว อ, ออกสอดส่องหาดูคู่ครองเบื้องต้นก็อยู่กันสงบดีอยู่หรอกแต่พอนานวันไปกลายเป็นทะเลาะเบาแววงซึ่งกันและกัน ถึงทุบตีกันเพราะผู้ชายที่เล่าเมายาดูไม่ได้ส่วนผู้หญิงที่เคยเป็นสาวสวยไม่นานสังขารก็ร่วงโรยราแต่งานเป็นสามีภรรยามีลูกเพียงคนสองคนก็หมดสวยสิ้นงามหน้าตาตกกระฟังฝ้าเต็มหน้าขาที่เคยเรียวงามก็ใหญ่หน้าที่เคยคมงามก็เหี่ยวย่นรูปร่างหน้าตาที่เคยดีก็แปลเปลี่ยนไปสิ้น บางคนก็จินหมากจินพลูปากแดงปากดำฟนันเยินเยเจยปล่อยตัวปล่อยใจให้หน้าเกลียดหน้าชังหมดความสวยงามไปสิ้นโอสัตว์โลกทำไมต้องเที่ยวสร้างโลกสร้างทุกข์สร้างอาณาจักรอันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เช่นนั้นเสมอเพื่อเผาหลนตัวเองขณะที่นั่งในตาเหมอรลอยมองไปข้างหน้าอย่างไรจุดหมายอยู่อย่างนั้น บังเอิญตาเหลือบไปเห็นภิกษุสองรูปกำลังเดินลัดผ่านทุ่งนาอันแสนเจเวังวางห่มคลุมผ้าสีกลักออกคล้คลําผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดสภายบาดแบกกรดเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหมายมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวเร่งฝีเท้าเดินดุ่มๆไปข้างหน้าโดยไม่อลัยเสียดายแกสายตาชาวบ้านที่เพ่งมอง หน้าเลื่อมสายยิ่งนักเวลาก้าวเดินเหมือนพญาคตชสารมีความหนักแน่นมีสติสัมปชัญญะอยู่พร้อมบริบูรณ์ท่านเดินผ่านทุ่งนาอันแห้งแล้งปลายฤดูหนาวต่อฤดูร้อนเดินดุ่มมุ่งตรงไปเบื้องหน้าอันเป็นป่าเขาเขียวขจีเบื้องหลังท่านเป็นหมู่บ้านที่วุ่นวายแต่เบื้องหน้าท่านเป็นป่าเขาอันเขียวขจี ซึ่งจะมีท่านเพียงสององค์เท่านั้นอยู่กลางป่าส่วนเบื้องหลังท่านทางหมู่บ้านนี้มีแต่เสียงโกลาหลนเจียวจ้าววุ่นวายเสียงลูกเล็กเด็กแดงร้องกระจ อ, องงอแงเสียงวัวควายหมูหมากาไก่ร้องระงมชมทุกข์อยู่โดยตลอดเวลาก็าให้ย้อนคิดมาที่ตัวเราเองว่าเรานี้ควรจะไปข้างหน้า อันเป็นป่าเขาเขียวขจีที่มีผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดเป็นธงชัยหรือว่าเราจะพึงยินดีในการครองโลกครองเรือนเราพึงคิดเอาเลือกเอาเมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นจึงครุ่นคิดขึ้นภายในใจอีกว่าพระภิกษุผู้เป็นพุทธบุตรสองรูปนี้เราดูอาการเดินที่มุ่งหมายไปข้างหน้าอย่างมั่นอกมั่นใจท่านต้องมีที่หมาย แต่เออะไรเล่าเป็นที่หมายของท่านเราจะต้องรู้ให้ได้เออเราต้องออกบวชเป็นพระธุดงค์แบบนี้เมื่อเราคิดดังนั้นจึงทำให้อยากออกบวชเป็นพระบ้างจากนั้นเราจึงวิ่งลัดทุ่งเพื่อเข้าไปกราบท่านท่านเป็นพระหนุ่มที่มีร่างกายแข็งแรงใบหน้าคมสันกริยาท่าทีไม่เก้อเขิน วาจาที่พูดมีเหตุผลรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ในิสัยสงบสงีียมเจียมตัวเป็นกันเองลักษณะท่านนำมาซึ่งความเลื่อมใสใจใจเราเป็นอย่างยิ่งเราจึงเกิดศรัทธาพร้อมพรั่งขึ้นในขณะนั้นกราบท่านเสร็จแล้วก็ไล่ต้อนวัวควายกลับเข้าคอกที่บ้านตามเดิมแต่ภายในใจนั้น ยังเมื่อโนภาพถึงพระกรรมฐานสองรูปนั้นเสมอๆทั้งที่ชื่อเสียงเรียงนามของท่านเราก็ไม่รู้แต่มีความศรัทธาเลื่อมใสในท่านเป็นยิ่งนักบิดามารดาของเราเป็นพ่อแบบแม่แบบให้ลูกทุกคนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในการทำบุญสุนทานครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่เคร่งครัดในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาคือศียนทาน รักความสงบเอื้ออารีกับเพื่อนบ้านทุกคนอยู่ต่อมาวันหนึ่งเราไม่ค่อยสบายนอนพักผ่อนเล่นอยู่ที่บ้านขณะกําลังนอนเคลิ้มเคลิมจะหลับบังเอิญวันนั้นมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างๆบ้านร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเราก็รีบวิ่งเข้าไปดูทันทีนึกว่าใครจะเป็นจะตายเรื่องอะไรพอไปถึงเห็นผู้หญิงท้องแก่บ้านใกล้ๆ นั่งพิงฝาบ้านอยู่จึงถามขึ้นได้ความว่าเธอท้องแก่เต็มที่กําลังจะคลอดลูกน้ําคล่ําออกมาเต็มไปหมดเธอปวดท้องอย่างรุนแรงจะคลอดลูกอยู่แล้วจึงร้องโอดโอยขอความช่วยเหลือวันนั้นไม่มีผู้คนอยู่ในบ้านนั้นเลยคนเท่าคนแก่ก็ไม่อยู่บ้านเราวิ่งหาใครก็ไม่มีเหลือแต่เพียงเรากับคนเจ็บท้องเพียงสองคน ทำยังไงล่ะทีนี้บ้านนอกก็ไม่มีหมอเลือดเธอก็ออกมามากเราจึงจําเป็นต้องทําคลอดให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างความเกิดที่แสนจะทุกทรมานความเจ็บที่สุดจะทุกจะทนเสียงร้องระงมทั้งคนจะเกิดทั้งคนจะให้เกิดเราต้องคอยหาอะไรมารองช่วยจับช่วยดึงช่วยบอกเอา้าเบ่งเบ่งค่อยค่อยเบ่ง เราต้องคอยบอกอยู่อย่างนั้นเหม็นคาวเหมือนกันในขณะนั้นสารพัดที่เราจะทําสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่วันเกิดมาประจักษ์แก่จิตใจเอามากในวันนั้นสงสารก็สงสารสังเวชก็สังเวช ท, ทั้งเลือดทั้งกรกรกนปนกันออกมาเราก็ทั้งคลานทั้งจับทั้งดึงทั้งมุดหน้ามุดหลังไม่มีใครอายใคร ล, ละ เพราะคนมันเจ็บปวดจะตายความเกิดเป็นทุกข์ประจักษ์ใจแบบไม่มีวันลืมนึกถึงพ่อแม่ของเราเองขึ้นมาทันทีเราก็ต้องเกิดพ่อแม่ก็ต้องทรมานอย่างนี้ต้องออกมาจากช่องแคบแคบอย่างนี้กว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจจะผุดโผล่ออกมาลืมตาดูโลกหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสอากาศ ใจได้สนองกายรับใช้สังขารได้มันเหลือทุก์เหลือทนจริงๆไม่มีอะไรอีกแล้วในโลกนี้ที่จะน่าดีใจและเสียใจไปพร้อมกันนักรบที่เข้าสู่สงครามก็ไม่ได้อาหานชานชัยเท่ากับพ่อแม่ผู้ให้บังเกิดหรือเด็กที่กําลังจะตกคลอดออกมาเป็นคนเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทําทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์แก่สายตาและจิตใจ เกิดความเบื่อหน่ายเห็นโทษในกามขึ้นมาทันใดได้กระทำไว้ในใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องออกบวชอย่างแน่นอนเพราะความสลดสังเวชในวัฏฏะสงสารคราวนั้นนับได้ว่าเป็นมหาสังเวชเลยทีเดียวนี่แหละท่านทั้งหลายพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าการเกิดสถานที่ทิ้งร่างกาย และคติในสัมปรายภพบไม่มีใครสามารถกำหนดได้เราจะเกิดเมื่อไรจะตายตรงไหนตายแล้วจะไปอยู่ณที่ใดนรกสวรรค์ชั้นไหนเราไม่สามารถกำหนดได้ถ้าเรายังมืดบอดอยู่แต่ถ้าเราปฏิบัติถึงเราก็จะสามารถกำหนดได้ด้วยความที่เราจิตใจฝักใฝ่ในเพศบรรพชิตอย่างฝังแน่น ด้วยเหตุคือความศรัทธาในพระทุดงและสังเวชในการเกิดนั้นในปีพุทธศักราช2481อายุ19ปีเราจึงขออนุญาตพ่อแม่บวชเนนพ่อแม่ก็ยอมเพราะเข้าใจในจิตใจของเราเป็นอย่างดีเพราะเรามีนิสัยแปลกกว่าคนอื่นชอบอยู่เงียบเงียบเรียบง่ายไม่วุ่นวายไม่ชอบยุ่งกับใคร แม้อายุเราสมควรมีครอบครัวได้แล้วแต่ก็ไม่สนใจสาวใดเลยมีแต่เด็กสาวชาวบ้านที่ให้ความสนใจในตัวเราเสมอมาในที่สุดจึงได้รับการบรรพชาเป็นสามาเณรที่วัดกระพุ่มรัตบ้านตากูตําบลตากูอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นฝ่ายมหานิกายโดยพระอาจารย์อุเทนเป็นพระบับพปชาจารวัดนี้ เป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดพื้นบ้านอยู่จำพรรษาหนึ่งปีตั้งใจว่าจะศึกษาหาความรู้ในทางพระพุทธศาสนาและจะทำแบบอย่างพระทุ ด, ดงที่เคยเห็นอยากจะศึกษาค้นหาจุดหมายเช่นท่านบ้างและอยากรู้ว่าจะทุดงไปทำไมและทำไมจะต้องเดินไปในป่าและไปอยู่ในป่าด้วยแต่ต้องดูท่าทีไปก่อนว่ารอโอกาสที่จะมาถึง ในสมัยนั้นเขตจังหวัดต่างๆรวมทั้งจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นสภาพเช่นเดียวกันคือบวชเข้ามาแล้วก็อยู่วัดก่อนแล้วนินคือจินแล้วนอนเฉยๆไม่มีการเรียนการสอนและการปฏิบัติอย่างที่คิดไว้ก่อนบวชเพราะเราคิดเสมอว่ากุลบุตรที่บวชเข้ามาแล้วต้องมีการศึกษาต้องมีการปฏิบัติออกธุดงเหมือนพระธุดงสองรูปที่เราเคยเห็นนั้น แต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เรียนอยู่มันเฉยเฉยข่ำไปวันหนึ่งวันหนึ่งนั่งดูสาลานั่งดูกุฏินั่งดูหน้าพระพุทธรูปไปวันๆกว่าจะข่ำก็นานจะหาคําสอนสั่งอะไรเพื่อเป็นกำลังใจไม่มีอยู่อย่างนี้เห็นจะไม่เป็นท่าเสียแล้วศึกไปช่วยบิดามารดาทางานจะมีค่ากว่าละมัง่งหลักสาคัญ ที่ท่านเจ้าอาวาสที่ปกครองดูแลถ้าท่านไม่อบรมสัง่งสอนหรือทำเป็นแบบอย่างเราก็ไม่มีผู้นำทางจิตใจมันก็มืดแปดด้านความสำคัญย่อมอยู่ที่ท่านเหล่านี้ที่ให้การศึกษาหาความรู้ปกครองดูแลให้อยู่ในระเบียบทั้งให้ความอบอุ่นเที่ยงตรงไม่เอียงๆนอกจากนี้ยังมีความประพฤติที่ดีเป็นแบบอย่างมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใส ตั้งแต่เบื้องต้นทํากลางและในที่สุดมีพรหมวิหารธรรม4ประการครบถ้วนบริบูรณ์แต่เราเห็นว่าการบวชแบบนี้ไม่ตรงกับเจตนาเดิมของเราเป็นเพราะว่าในสมัยนั้นการศึกษายังไม่ขยายไปในมุมเมืองหรือชนบทต่างๆก็เป็นได้ถึงจะมีแต่ก็ยังขยายไปไม่ถึงได้เหมือนกันดังนั้น จึงศึกออกมาช่วยพ่อแม่ประกอบการงานต่อไปและได้ช่วยพ่อแม่ทำนาทำสวนคู่กับน้องๆเอาวิชาชีพช่างทองไปรับจ้างทำทองรูปประพันธ์หาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่และน้องๆพออายุครบ20ปีได้รับหมายเรียกตัวให้ไปคัดเลือกทหารจึงไปที่จังหวัดสุรินตั้งใจเอาไว้ว่าจะสมัครเป็นพลทหารปรากฏว่ามีทหารเฑ์มากเกินความต้องการ จึงเป็นทหารกองเกินไปคิดแล้วแทบจะหมดกำลังใจเพราะจะเป็นพระกรรมฐานตอนบวชก็ไม่ได้เป็นจะเป็นทหารก็ไม่ได้เป็นจเจ้าอย่างไรดีละ่ะเราคราวนี้ความคิดของเราก็เหมือนหนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งที่ห่างไกลความสะดวกสบายเราต้องพยายามที่จะไขว่คว้าหาความจริงแห่งที่หมายของชีวิตและเป็นที่สุดแห่งการดิ้นรนเรายัางจาภาพพระธุดงเดินลัดผ่านทุ่งนาอยู่เสมอ อายุก็ได้20ปีแล้วและยังอยากบวชอยู่จึงขอพ่อแม่บวชอีกสักครั้งบวชที่วัดเดิมคือวัดกระพุ่มรัตตำบลตากูกอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีพระครูธรรมทัตที่มนต์ดันเจ้าอาวาสวัดศาลาลอยเจ้าคณะอำเภอเมืองเป็นพระอุปชาพระอาจารย์เคลือบวัดดาวรุ่งบ้านขามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์อุเทนวัดกระพุ่มรัต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 และได้แจ้งความจำานงต่อท่านว่าท่านอาจารย์ขอรับกระผมเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะประสิทธิ์ประศาสต์วิชาอบรมบ่มนิสัยให้รู้เข้าใจในแถวแนวทางแห่งพระธรรมเพื่อให้เข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างท่องแท้บัดนี้กล่าวกระผม ไม่มีความสงสัยอะไรอีกแล้วเพราะธรรมที่ท่านอาจารย์แสดงไว้นี้เป็นอุบายที่ชัดแจ้งแก่จิตใจของเกล้ากระผมเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านอาจารย์จะเมตตา ก, กรุณาแจกกระผมผู้น้อยด้วยสติปัญญาแล้วก็ขอได้โปรดรับเกล้ากระผมไว้เป็นสิทธิ์ด้วยเถิดเมื่อเรากราบเรียนท่านพระอาจารย์ฟั่นอย่างนั้นท่านก็แสดงความพอใจ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 เมื่อท่านพระอาจารย์ฟั่นเห็นความตั้งอกตั้งใจอย่างนั้นท่านจึงอนุญาตให้ยติเป็นพระธรรมยุทธ์ได้การอุปสมบทครั้งที่สองยติเป็นพระธรรมยุทธ์นี้ยติใหม่ที่วัดสุทธาจินดาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมิติยานสังทองพันเพลงรเรียนธรรมห้าประโยคเป็นพระอุปชา พระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูธรรมทรทองดีวัดศรีจันเป็นพระอุเทศาจารย์ได้รับฉายาว่าสุวโจแปลว่าผู้อันบุคคลพึงว่ากล่าวต่างเตือนได้โดยง่ายเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2485เวลา 15.00 นเมื่ออบสมบทเสร็จ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 การปฏิบัติที่วัดป่าสัทธารวมนี้เกิดความสงบมากเพราะขณะนั้นไม่ค่อยมีใครผ่านเหมือนปัจจุบันภายในวัดมีกุฏิไม้ของพระอาจารย์ฟั่นเพียงหลังเดียวเท่านั้นส่วนมากเป็นป่าดงสัตว์ป่ามากเดินผ่านไม่เว้นแต่ละวันการขมนาค่มลำบากเป็นทางกุยเย็นพื้นทรายบ้างดินบ้างเป็นล้มเป็นบอบเป็นโคลนตามสภาพความไม่สมดุล ทางโลกหลายๆอย่างกลับเป็นผลดีต่อการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานอย่างมากจึงทำให้เรามีความมั่นใจในอัดในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งว่าของแท้เราได้มาถึงแหล่งแล้วถ้าเราพลาดโอกาสนี้ชาตินี้เราจะต้องเสียใจอย่างใหญ่หลวงแต่เมื่อโอกาสอำนวยเช่นนี้คงเป็นเพราะเราได้เคยสร้างบุญบารมีไว้บ้าง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 พระอาจารย์กงมาจิระปุญโยพระอาจารย์หุยจันดสารโรในพรรษาที่สองแห่งการอุปสมบทใหม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้พอสมควรเอาตัวรอดได้บังแล้วฉะนั้นท่านพระอาจารย์ฟั่นจึงติดตามการปฏิบัติเหมือนเงาติดตามตัวไม่มีการอ่อนข้อต่อจิเลนเลยเราพอใจที่ท่านควบคุมอบรมอย่างยิ่งในวันอุโบสถ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 กำหนดรู้ถึงอาการต่างๆที่จะมากระทบมีสติรู้อยู่ฝึกฝนกจิตใจให้เกิดพลังแก่กล้าพระบรมศ า, ศาสดาทรงตรัสในเรื่องนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเข้ากล้าง้อ ง, งามบริบูรณ์และคนเฝ้าเข้ากล้าก็ประมาทเสียโคกินเข้ากล้าลงสู่เข้ากล้าโนนพึงเมาเพลินประมาทเอาเสจยจนเต็มที่ฉันใดปุตุชน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 หลังจากออกพรรษาที่สองแล้วพระอาจารย์พันนปาเรสโกซึ่งเป็นสิบท่านพระอาจารย์มั่นรูปหนึ่งได้เดินทุ ด, ดงผ่านมาทางวัดป่าศรัท ธ, ธารวมแวะเข้าพักค้างคืนที่วัดให้หายเหนื่อยได้ขออุบายธรรมจากท่านพระอาจารย์ฟันด้วยพระอาจารย์พันนจึงได้ชวนเราออกเที่ยวเดินทุ ด, ดงด้วยเราอยากคุยอยากสนทนากับท่านท่านก็ไม่พูดมาก เพราะนิสัยพระป่าจะไม่ค่อยพูดทำอะไรทำจริงชอบวิเวกตามป่าเขาชอบประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอด้วยความที่อยากได้ธรรมะออกรบกับกิเลสขจัดขัดเกลาร์ทำจิตใจให้แจ่มใสขึ้นจึงเข้าไปกราบขออนุญาตจากท่านพระอาจารย์ฟันท่านพระอาจารย์ฟั้นก็อนุญาตแต่ก่อนไปท่านได้กล่าวตักเตือนมากมายดังนี้ว่า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 แม้จะมีอันตรายรอบด้านใดๆก็ตามทำใจให้มั่นคงต่อพระตนตรัยและคุณงามความดีฉะนั้นอัตภาพร่างกายนี้เมื่อเกิดภัยขึ้นมาจงพยายามทำจิตใจให้หนักแน่นมีสัจจะตั้งมัน่นแม้เราจะตายในขณะนั้นก็จงอย่าเสียดายในอัตภาพร่างกายนี้ให้จำว่าเอาตนเองเป็นที่พึ่งของตนตนจึงจะพ้นทุกข์ สมบัติของพระกรรมฐานก็คือพุทโธอย่าวางไว้ห่างตัวเก็บรักษาไว้ใกล้ๆตัวจึงจะมีผลเมื่อมีเหตุจวนตัวก็จะหยิบฉวยเอาอาวุธคือพุทโธมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและฉับพลันเมื่อได้รับอุบายทมจากท่านพระอาจารย์ฟั่นแล้วเราจึงได้ออกทุดดงร่วมกับพระอาจารย์พันปาเรสโกโดยขึ้นไปทางจังหวัดขอนแก่น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 เราทุดงถึงจังหวัดนครพนมและเข้าไปกราบนมัสการพระาธาตุพนมและเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลเข้าพักที่วัดบุรพารามวัดนี้มีความเกี่ยวข้องกับท่านพระอาจารย์เสากันตาสีโลพระบุรพาจารย์ที่ทรงคุณธรรมของพวกเราทั้งหลายขณะนั้นท่านพระอาจารย์สิงขคันตยาขโมยขุนพลอันเกรงไกลแห่งกองทัพธรรม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 ไม่รักษากันล่ะเรามาขอสินกับพระก็เท่ากับเราก็หกพระเรื่อยไปเรามีศีลอยู่แล้วไม่ปฏิบัติแล้วมันจะดีได้อย่างไรเรามีสีลเราก็ต้องรักษาสิเราไม่รักษาสีนของตัวเราเองปล่อยไปทําชั่วช้าลามกมันก็ไม่ดีไม่ได้สิคนเราฉะนั้นจะต้องปฏิบัติมันต้องรักษาสิสินมีอยู่ในตัวแล้วเราจะไปขอกับใครล่ะ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 พุทธศักราช 2,487 เดิมทีท่านพระจารยร์ฟัน่นตั้งใจจะจำรรษาที่ริมห้วยสเสนงนี้เพราะคณะสิทธิ์ที่เป็นทหารและชาวบ้านอรัตนานิมนต์มอบถวายที่ดินริมห้วยสเสนงในเขตทหารเพื่อสร้างเป็นวัดแต่เมื่อมีหนังสือนิมนต์จากท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ติดโสอ้วนท่านจึงบอกลาคณะนายทหารทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์และสั่งเราวไว้ว่า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 ไม่แก้ไขาตนเองความจริงของดีมีอยู่ที่ตัวเราแต่คนไม่รู้จักมันจึงเห็นได้แต่ทุก์วิ่งวนอยู่เต็มโลกเต็มแผ่นดินเมื่อเราเข้ามาพักที่วัดบ้านน้องผือตำบลนานในอำเภอพนนนานิคมจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์มั่นเห็นว่าเราเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์ฟัน่นท่านจึงกล่าวสอนว่าครูบาสุวัตท่านฟัน่นซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านตอนนี้ ก็เป็นพระเเจมีอายุพรรษามากแล้วสมควรที่ท่านจะต้องทดแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ของท่านท่านไม่ต้องมาอยู่ที่นี่หรอกนะให้ไปปฏิบัติท่านฟัน่นศึกษาและปฏิบัติกับท่านฟัน่นก็เป็นที่เพียงพอแล้วเมื่อเราออกจากวัดบ้านหนองผือแล้วจึงได้เดินทุ ด, ดงไปที่วัดาธาตนาเวงต่อมาคือวัดป่าภูทรพิทัก์เพื่อร่วมจาพรรษาและอุปถามท่านพระอาจารย์ฟัน่น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 ก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูวันพระท่านจะเอาสามวันคือ7ค่ำ8ปค่ำ9ก้าค่ำและ13าค่ำ14บค่ำหนึ่งคำท่านจะนำนั่งภาวนาตลอดคืนยันรุ่งเป็นประจำองค์ท่านเองจะเป็นผู้นำทำจิตตะภาวนาโดยไม่มีลดละความภาคเพียรพระทุกรูปต้องปฏิบัติภาวนาตลอดรุ่งด้วยอิริยาบถสามคือยืนเดินนั่งเท่านั้นห้ามนอนท่านพระอาจารย์ฟั่น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 เดิมชื่อวัดรังสารอเอเมืองจัังภูเก็ตเราจึงได้เข้าไปกราบน้ำมการและขออุบายในการปฏิบัติตนเองขณะที่อยู่ทางภาคใต้ตลอดจนถึงอุบายธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปนอกจากนี้ยังได้พบพระมหาเนียมสุวโจพระสธรรมิกที่คุ้นเคยกันมากปีพุทธศักราช2496เนื่องจากโยมมารดาป่วยญาติโยมส่งข่าวไปให้ทราบ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 ท่านพระจารย์ฟั่นจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ถ้ำขามเราได้มาอยู่ช่วยงานท่านอย่างใกล้ชิดเพราะสังขานั้นนับวันจะร่วงโรยรามีการเจ็บป่วยอยู่เสมอๆ อ, องค์ท่านเองก็ไว้วางใจเรามากให้ช่วยอบรมดูแลภิกษุสามเณรที่สำนักสงฆ์ถ้ำขามอําเภอพา น, นานิคมจังหวัดสกลนครต่อมาเมื่อธาตุขันของท่านพระจารย์ฟั่นดีขึ้น เราจึงมาพักที่ถ้ำสีแจ้วเพราะเห็นว่าเป็นสถานที่สัปปายดีเป็นดงช้างดงเสือน้าใช้ดีมีสัตว์ป่าเยอะเป็นป่าสงวนจากนั้นได้กลับไปขอโอกาสกาบเรียนท่านพระอาจารย์ฟั่นว่าหลวงปู่ครับผมเจอสถานที่ดีมีสัปปายธรรมเป็นกึ่งกลางภูพานพอดีหมู่เพื่อนขึ้นมาจากทางด้านใต้ก็มาพักได้ เป็นกึ่งกลางระหว่างสกลนครกับกาฬสินธุ์ลงเขามาทางบ้านน้องผือนาในาก็สะดวกท่านพระอาจารย์ฟั่นจึงบอกว่าถ้าดีจะสร้างวัดก็ให้ทำได้สมัยมาอยู่ถ้ำสีแจ้วใหม่ๆ ม, มีเราหลวงพ่อพวงพระจิรวัตรพระหนูพระวัดเนนลำ้ำและสามเณรอีกองค์หนึ่งต่อมาปีพุทธศักราช2516สสถานที่แห่งนี้ ได้กลายเป็นสำนักสงฆ์ชื่อว่าสำนักสงฆ์ถ้ำสีแจ้วโดยท่านพระอาจารย์ฟั่นได้สั่งให้เราดูแลเยื่มเยือนสำนักต่างๆเช่นวัดป่าภูธอนพิทักษ์กับสำนักวัดป่าถ้ำขามด้วยเช่นกันการสอนคารวาดของพระอาจารย์สุวัตที่ถ้ำสีแจ้วเช่นถ้าคนใกล้ชิดให้ท่านทำน้ำมนต์ท่านจะไม่ทำให้เพราะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดอย่างนี้ทำไมต้องเชื่อเรื่องน้ำมนต์ แต่ถ้าคนไหนมาจากที่ไกลๆ ก, ก็ทำให้แต่ท่านจะสอนก่อนท่านไม่พาหลงงมงายไปทางอื่นโดยท่านจะยกพระพุทธภาสิทธ์มาสอนเสมอๆว่าคนชั่วมีกรรมดำถึงจะวิ่งไปขอน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ตนนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ก็จะทำอะไรได้น้ำมนต์นั้นจะสามารถชำระนรชนผู้มีเวรผู้ทำกรรมอันหยาบช้า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 แห่งการถือมงคลตื่นข่าวข้ามพ้นกิเลสเทียมแอกที่ผูกสัตว์ไว้ในพบไปเสียได้ย่อไม่กลับมาเกิดอีกประโยชน์ในล่วงเลยคนเขาผู้มัวคำนวณนับเลิกอยู่ประโยชน์เป็นตัวเลิกของประโยชน์เองดวงดาวจะทำอะไรได้บุคคลประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเลิกดีมงคลดีเป็นเช้าดีอรุณดี เป็นขณะดียามดีและเป็นอันบูชาดีแล้วในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายแม้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเขาก็เป็นสิทธิโชคครั้นกระทํากรรมที่เป็นสิทธิโชคแล้วเขาย่อมได้ประสบผลที่มุ่งหมายอันเป็นสิทธิโชคไม่ควรละห้อยถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่พึงเพอ้อฝันถึงสิ่งที่อยู่ภายหน้า สิ่งใดที่เป็นอดีตสิ่งนั้นก็ผ่านไปแล้วสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงส่วนผู้ใดประจักษ์ชัดสิ่งที่เป็นปัจจุบันอันเป็นของแน่นอนไม่คลอนแคลนขอให้ผู้นั้นครั้นเข้าใจชัดแล้วพึงเร่งพยายามปฏิบัติให้ลุล่วงไปในที่นั้นนั้นพระอาจารย์สุวัตเล่าเรื่องท่านพระอาจารย์ฟันอาพาธจนถึงมรณภาพไว้ว่า แม้ในระหว่างที่อยู่จําพรรษาที่วัดถ้ำสีแจ้วเราก็เดินทางไปมาหาสู่กับท่านพระอาจารย์ฟั่นเสมอๆ ม, มิได้ขาดเพราะท่านเป็นอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ความรู้และการประพฤติทุกสิ่งอย่างพระคุณและความรักที่มีต่อท่านพระอาจารย์ฟัน่นจึงไม่มีวันลืมเลือนท่านพระอาจารย์ฟั่นเป็นนักสร้างคนคือสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ท่านได้แก้ไขผู้ประพฤติเป็นพานเจเร เบียดเบียนข่มเหงรังแกสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบตลอดจนพวกติดอบายมุกต่างๆให้บังเกิดความสำนึกตนและและเว้นเวรกรรมอันเสียหายเป็นผลสำเร็จมาม า, มากต่อมากความตรากตรำในการแผ่บารมีธรรมของท่านพระอาจารย์ฟั่นนี้เองเป็นมูลเหตุสำคัญให้ท่านเกิดอาพาธอย่างฉับพลัน เมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2519จึงได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสกลนครแต่อาการของท่านไม่ดีขึ้นจึงได้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในกรุงเทพอีกระยะหนึ่งโดยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รักษาตัวอยู่ได้ระยะหนึ่งท่านพระจารย์ฟั่นก็ขอกลับวัดกลับมาคราวนี้คณะสิทธิ์ได้ร่วมกันสร้างกุฏิหลังใหม่ให้ท่านพักอาศัยโดยยกพื้นขึ้นมาบนสะน้องแหวงข้างโบทน้ำและทำรั้วกัน้น <c oughs> เพื่อไม่ให้ผู้คนเข้าไปรบกวนท่านด้วยแต่อาการของท่านก็ยังไม่ดีขึ้นมีแต่ทรงกับชุดอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันที่4มกราคมพุทธศักราช2520 ได้เกิดอาการโรคแทรกซ้อนขึ้นอย่างรุนแรงและกระทันหันท่านจึงต้องทิ้งธาตุขันของท่านไปด้วยอาการสงบเมื่อเวลาหนึ่งทุ่ม50นาทีณบัดนี้พระพิกษุผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ารูมหนึ่งคือท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรม ได้กระทาที่สุดแห่งทุกข์และสังขารขันผลโลกดับศูนย์ไปแล้วจะเหลืออยู่ก็แต่รอยแห่งเมตตาบา ร, รมีทมอันสูงส่งของท่านซึ่งจะจารึกอยู่ในความทรงจำของบรรดาสานุรสิทธิ์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปอย่างไม่มีวันลืมเลือนก่อนงานพระราชทานเพลิงศพในวันที่20มกราคมพุทธศักราช2521พระอาจารย์สุวัสด์ได้วางแผน แบบละเอียดลึกซึ้งให้พระจันทร์แปลงจเจ้าอาวาสวัดป่าอุดมสมพรซื้อที่ดินนอกวัดเตรียมการไว้สำหรับที่พระเจ้าทานเพลิงและอีกด้านทำเป็นที่จอดรถถมดินจำลองให้เหมือนถ้ำขามทำกรดขนาดใหญ่กว้าง6เมตรวางบนเมรุเมื่อวางแผนเรื่องนี้แล้วก็ไปนิมนต์หลวงตามหาบัวมาเป็นประธานฝ่ายสงติดต่อคนเขียนแบบเมรุติดต่อในอาเภอ เพราะท่านคาดการว่าผู้คนจะหลั่งไหลมาจากที่สานุทิดคณะกรรมการทุกคนตลอดจนพระเนนก็มีความเห็นว่าต้องเอาศพท่านพระอาจารย์ฟั่นไว้ภายในวัดพระอาจารย์สุวัสด์จึงเป็นพระหัวเดียวกะเทียมรีบแต่โดยที่สุดแล้วเมื่อมหาชนหลั่งไหลมาจากที่สานุทิดสถานที่ที่เคยกว้างขวางกับคับแคบไปถนัดตาจึงต้องทาตามวิธีที่พระอาจารย์สุวัสด์คิดไว้หมด พิธีเปิดอาจาระเจดีเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2525พระอาจารย์สุวัสด์ได้เรียบเรียงอาจาระมหาเทระประวัติลงในหนังสืออาจาราพิวาสที่ ร, รึกในมหาวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุอัฐิและทรงเปิดเจดีพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรนับได้ว่าพระอาจารย์สุวัส์ ได้ทำการสนองคุณท่านพระอาจารย์ฟั่นที่ท่านเคารพรักอย่างสมบูรณ์งดงามยิ่งปีพุทธศักราช 2,515 ถึง 2,524 ท่านพระอาจารย์สุวัสสุวจโจได้จำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำสีแจ้วท่านได้เล่าถึงการปฏิบัติธรรมขั้นสุดท้ายระหว่างอารหัตมรรคถึงอรหัตผลอันเป็นธรรมะละเอียดลึกซึ้งประณีตว่าตอนที่เราปฏิบัติด้วยความเข้ม ง, งวด ที่ทําสีแจ้วนั้นเราก็สวดมนต์คล่องแคล่วเดินจงกรมนั่งสมาธิโดยตลอดตอนเย็นสวดธรรมจกักตอนเช้าสวด ส, สติปฐานสูตรอยู่มาวันหนึ่งพอจัดอาหารยะถาสัพพีทําพัฒกิจเสร็จแล้วในขณะเดินจะไปถึงกุฏินั้นปรากฏว่าจิตมันถอนออกทันทีถอนสัญญากับเวทนาในขณะกาลังเดิน พอมันถอนปรากฏว่าถอนทิ้งเหมือนคนกระโดดดิ่งลงในเหวเหมือนกับเราถอนต้นไม้ที่มันรวมกันแล้วรวบด้วยมือทิ้งพอถอนแล้วมันก็ด่าตัวเองว่าเรานี่มันโง่ชิบหายเพียงเท่านี้ก็เกิดธรรมปีติกายไว้สอือกสือื่นเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้แต่จิตหนึ่งมันก็บอกว่าอ้าวมันรู้ก็รู้แล้วถอนก็ถอนแล้วจะไปคิดทาอะไร มันวิจาร์อยู่มันค่อยหายไปพอหายไปจากนี้มันก็สงบวิเวกถ้าพูดถึงความสงบทั้งกลางวันกลางคืนมันไม่เผอได้เลยนะมันมีแต่ความเบาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ต่อมาในวันหนึ่งตอนเช้าหลังฉันจังหันเสร็จแล้วพอนั่งกำหนดจิตมันก็แวบจิตพลิกจิตเหมือนกับแผ่นดินพลิกแผ่นดินที่เราเคยอยู่อย่างนี้แล้วมันก็พลิกคล่าไปอย่างนั้น แล้วปรากฏบทธรรมว่าเราพลิกได้คลิกจิตได้แล้วไปอย่างนั้นนะปรากฏเหมือนว่าเดินเข้าไปในป่าแล้วก็พบซากไม้ขนาดนี้ตัดแล้วคอนที่ตัดอยู่มันนอนผุหมดแล้วขอนั้นกระพี้กับเปลือกมันก็ผุหมดแล้วเราก็จับดึงพอดึงก็เห็นว่ามันก็ยังมีติดกับดินอยู่มีบทธรรมเตือนบอกว่า โอ้ยไม่จําเป็นจะต้องดึงออกหรอกเพราะมันตายแห้งหมดแล้วมันผุแล้วเหลือแต่จันมันไม่งอกงามอีกจงทิ้งไปทิ้งแล้วก็เดินไปเอ๊ะมันกลางวันนี่ไม่ใช่เรานั่งหลับหรือว่านอนหลับแต่ตอนนั้นมันก็จิตเบาอยู่ไม่ได้กำหนดว่ากลางวันหรือกลางคืนในความรู้สึกขณะที่จิตจะคว่มอวิชชามันบอกว่าผู้ิตัทธพระมจริยังกตังกรณียัง กิจจะทําหมดสิ้นแล้วไม่มีกิจแล้วเลิกกิจจะทําอีกไม่มีแล้วจะต้องทําอะไรอีกไม่มีแล้วพออย่างนั้นมันก็ประหารเมื่อไม่มีกิตแล้วเครื่องมือทุกอย่างก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ตัดทิ้งหมดเลยพอประหารแล้วมันไปปรากฏบทธรรมว่าปริสุทธโธบริสุทธบริสุทธแล้วแล้วก็ศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ต้องศึกษาและไม่ต้องเกี่ยวข้องแล้ว พอมันทำลายหมดแล้วมันมาปรากฏลมละเอียดจ่มใสที่ประชุมพร้อมพร่างกันอยู่ใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่เกี่ยวข้องด้วยกิเลสอุปธิอะไรทั้งที่มันเป็นธาตุอยู่คุมกันอยู่เย็นสบายโดยไม่มีอุปสรรคอะไรขัดข้องเวลาเดินเรานึกเราอยู่ได้ด้วยลมอันนี้ความสุขความทุกข์อะไรก็ลมหายใจอยู่ด้วยกันผองายเท่านั้นเองที่ปรากฏขึ้นมาพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆแม้พระองค์จะมีปัญญาปริชาอย่างไรพระองค์เสเวยวิมุติสุขถึง7อาทิตย์49วันแต่สำหรับเรากำลังธรรมดาต้องพักอยู่เพื่อสร้างตนที่มันเปลี่ยนแปลงระบบใหม่จะต้องอยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องพักผ่อนได้เต็มที่49วันเพื่อจะได้มาโปรดสัตว์แต่ส่วนเรานี้เราไม่ได้ตั้งใจโปรด เราเป็นแต่เพียงสาวกรู้ตามเห็นตามเท่านั้นเองแม้แต่ในจิตในใจมันก็เปลี่ยนไปหมดมันไม่เอาอะไรแล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันตก็ดีเราก็ดีเมื่อดับแล้วสภาวะธรรมไม่ใช่ว่าดับศูนย์นะมันไม่ได้ว่าดับศูนย์ก็ไม่ได้ว่ามิชชัทิฐิสัมมาทิฐิเพราะสภาวะนั้นถูกมากทําลายไปหมดแล้วคําว่าดับ ไม่ได้หมายความว่าดับศูนย์เพราะสีแสงอะไรก็ไม่ปรากฏเหลือแต่ดับไม่มีเชื้อเหลือดับตัวนี้ไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดอีกเพราะฉะนั้นสามัญญผลพิเศษพลังอย่างนั้นคงไม่มีอะไรอิทธิฤทธ์อะไรมีฤทธิดเดชอะไรมีอนุภาพอะไรอยู่เงียบๆไปแล้วแต่มันจะเกิด เหมือนกับครูบาอาจารย์บางองค์ท่านไม่พูดไม่สอนอยู่อย่างไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วท่านก็มรณภาพไปมีหลายองค์ส่วนมากเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคราวนี้ที่บรรไปรู้จิตมันถอนก็ไม่ใช่นอนไม่ใช่นั่งกำลังเดินจะถึงกุฏิคือจุดปัญญามันจะพอตัวของมันพอมันปรากฏของมันมันอยู่ตรงไหนก็ได้กลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ แต่พลังในส่วนนั้นที่มันปรากฏเรื่อยๆมามันก็มีอยู่เหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้จดจาไว้ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมันก็มีอยู่เหมือนกันทีนี้กิเลสที่มันต่อสู้มันก็ไม่ย่อยเหมือนกันเหมือนคู่แข่งขันเพราะฉะนั้นคราวนี้จึงได้เห็นว่าเมื่อกิเลสดับแล้วธรรมะก็ดับไปด้วยกันเครื่องมือก็ดับมันดับคู่กันมักก็ทาลายด้วยกันสมุทัยทุกนิโรธ มันก็ดับไปด้วยกันเพราะมันหมดจิตแล้วนี่จึงว่าแม้แต่มรรคแม้แต่จิตมันก็ไม่ได้ใช้แล้วนี่มันไม่เคยปรากฏอย่างนี้มาก่อนเลยเป็นธรรมธาตุธรรมทิฏฐิเพราะมันไม่มีแสงสีที่จะกำหนดแต่มันมีอยู่มันไม่ปฏิเสธมันมีอันเดียวไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเทียบไม่มีอะไรที่จะเปรียบไม่มีอะไรจะเทียบ ก็ไม่มีอะไรที่จะบัญญัติด้วยไม่มีบัญญัติอีกต่อไปพระบรมศาสดาตรัสเปรียบเทียบไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลพบห่วงน้ําใหญ่ฝั่งข้างนี้น่าหวาดระแวงน่ากลัวภัยแต่ฝั่งข้างโน้นปลอดโปร่งไม่มีภัยก็แลเรือหรือสะพานสําหรับข้ามไปฝั่งโนนก็ไม่มี บุรุษนั้นจึงดำริว่าห่วงน้ํานี้ใหญ่ฝั่งข้างนี้น่าวาดระแวงถ้ากระไรเราพึงเก็บรวบรวมเอาญ้าท่อนไม้จิงไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพแล้วอาศัยแพนั้นพยายามด้วยมือและเท้าพึงข้ามถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดีคราวนั้นเขาจึงผูกแพรข้ามถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดีครั้นเขา ได้ข้ามขึ้นไปฝั่งโน้นโดยสวัสดีแล้วก็มีความดําริว่าแผ่นนี้มีอุปการะมากแก่เราเราอาศัยแผ่นนี้จึงข้า ม, มาถึงฝั่งนี้โดยสวัสดีถ้ากรรเราควรยกแผ่นนี้ขึ้นเทินบนศรีรษะหรือแบกขึ้นบนบ่าไว้ไปตามความปรารถนาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเห็นเป็นอย่างไรบุุษนั้นผู้กระทาอย่างนี้จะชื่อว่า เป็นผู้กระทำถูกหน้าที่ต่อแผ่นั้นหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ถูกพระเจ้าข่าพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าทำถูกหน้าที่ต่อแผ่นั้นในเรื่องนี้บุรุษนั้นเมื่อได้ข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้วมีความนําริว่าแผ่นี้มีอุปการาจจราแก่เรามากแท้ถ้ากะไร เราพึงยกแผ่นี้ไว้บนบกหรือผูกให้ลอยน้ำแล้วจึงไปตามปรารถนาบุรุษผู้นั้นกระทาอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้กระทําถูกหน้าที่ต่อแผ่นนั้นนี้ฉันใดธรรมก็อุปมาเหมือนแผ่เราแสดงไว้เพื่อมุ่งหมายให้ข้ามไปไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือไว้ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมอันมีอุปมาเหมือนแผ่ ที่เราแสดงแล้วพึงละเสียแม้ซึ่งทำทั้งหลายจะป่วยเก่าวไปใหญ่ถึงอธรรมเล่าภิกษุทั้งหลายทิฏฐิคือทฤษฎีหลักการและความเข้าใจธรรมที่บริสุทธิ์ถึงอย่างนี้ผุดพ่องอย่างนี้ถ้าเธอทั้งหลายยังยึงยดติดอยู่เริงใจกระยิมอยู่ยึดถือว่าเป็นของของเราอยู่เธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมอันมีอุปมาเหมือนแพร ที่เราแสดงแล้วเพื่อมุ่งหมายให้ใช้ข้ามไปมิใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้ได้หรือเมื่อพระอาจารย์สุวัสด์ได้ปฏิบัติธรรมบรรลุเป้าหมายของพุทธศาสนาบุกแล้วท่านจึงเดินทางไปต่างประเทศประกาศศาสนธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตามคำนิมนต์ของคณะศิทธยานุสิทธิ์นับเป็นเวลา15ปีตั้งแต่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตจากคณะสงฆ์ไทย ในปีพุทธศักราช 2,525 เพื่อไปเผยแพร่าศาสนธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ปฏิบัติาศาสนจิตนี้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างวัดภูริธตะวณ า, ารามและวัดเมตตาวานารามมรัฐแคลิฟอร์เนียให้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมตามแบบอย่างของวัดกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทโตซึ่งมีพุทธศาสนกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมากผลจากการที่พระอาจารย์สุวัสด์ให้การอบรมสมาธิภาวนาแก่ชาวต่างชาติทำให้ชาวอเมริกันคนหนึ่งเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้จัดซื้อที่ดินถวายจำนวน60เอเคอร์ประมาณ150ไร่ เป็นจำนวนเงิน7แสนดอลลาร์สหรัฐตั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติกิตตภวนาหลังจากได้ทำประโยชน์ทางด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนากลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วพระอาจารย์สุวัสสุวจโจท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าเขาน้อยตำบลเสม็จอเภอเมืองจงวัดบุรีรัมย์เพราะท่านพิจารณาเห็นว่าเป็นสถานที่สปายธรรม มีป่าเขาโดยรอบมีสัตว์ป่านาน า, นาชนิดควรแจ ก, การเจริญวิปัสนากรรมฐานอีกทั้งบริเวณวัดนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของวัดเก่าในสมัยโบราณการในการต่อมาเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2539พระอาจารย์สุวัตได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลวงตามหาบัวได้ทราบเรื่อง ท่าจึงได้เทศนาธรรมเรื่องจิตท่านสุวัตอันเป็นการชมเชยรับรองในคุณธรรมของพระอาจารย์สุวัตว่าจิตท่านสุวัตก็เป็นพระสุปฏิปันนะอุชุยายะสามีกิปฏิปันโนเป็นพระเอสพระวโตสาวกสังขโฆได้ท่านสุวัตนี้องค์หนึ่งถึงตายไปก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าจิตบริรสุทธิ์ซะอย่างเดียว ตายแบบไหนตายแบบไหนก็คือความบริสุทธิ์ล้วนพระพุทธเจ้าท่านก็ตายในป่าในเขานั่นแล้วพระกรรมาฐานตายในป่าในเขานั่นแหละเหมาะสมหลวงตามหาบัวตายใครอย่ามายุ่งไม่ได้นะบอกไว้ชัดๆเลยใครมายุ่งไม่ได้ถึงเวลาไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเลยเราจะไปคนเดียวของเราเป็นตัวของเราตัวเดียวเท่านั้นไม่มีสองตัว มันแนบอยู่ในหัวใจผู้ปฏิบัติธรรมมาทำเล่นหรือศาสดาองค์เอกไม่ใช่ศาสนาป ล, มปลอมๆมาสอนโลกเล่นๆอย่างนั้นปฏิบัติให้เห็นตามพระพุทธเจ้าด้วยสิมันจะไปไหนความจริงก็เต็มอยู่ในหัวอกของพระพุทธเจ้าแสดงออกมาจากหัวอกที่บริสุทธิ์พุทโธจะผิดไปไหนใช่หรือเปล่าแง่มุมใดของธรรมที่แสดงออกไปไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยนิดเลย ท่านก็ตายอย่างสง่าผ่าเผยอย่างไร้กังวลไว้ลวดลายของศาสนาเต็มอกไว้ลวดลายให้สมกับความเป็นศาสดาเอกของโลกพระบรมศาสดาของเราปรัสไปแล้วไม่ใช่หรือว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ไดเรียนรู้ย่ำเสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์บ้างอริยสาวกผู้ไดเรียนรู้แล้ว ก็ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกบ้างภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้อะไรเป็นความพิเศษอะไรเป็นความแปลกเป็นข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้กับปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้ว ย่อเศร้าโศกคร่ำครวญร่ำไห้รำพันตีอกร้องไห้ลหลงไหลฟั่นเฟือนไปขเขาย่อเสวยเวทนาทั้งสองอย่างคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายขมังธนยิงบุรุษด้วยลูกศรดอกหนึ่งแล้วยิงซ้ำด้วยลูกศรดอกที่สองอีกเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่เอเสวยเวทนาเพราะลูกศรทั้งสองดอก คือทั้งทางกายทั้งทางใจชั้นใดปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ก็ฉันนั้นย่ำเสวยเวทนาทั้งสองอย่างคือทั้งทางกายและทางใจภิกษุทั้งหลายฝ่ายอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่คร่ำครวญไม่รำไรรำพันไม่ทีอกร้องไห้ไม่ลหลงไหลฟั่นเฟือน เธอย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียวไม่เสวยเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายขมังธนูยิงบุรุษด้วยลูกศรแล้วยิงซ้ำด้วยลูกศรดอกที่สองผิดไปเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียวชั้นใดอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ก็ฉันนั้นย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียวไม่เสวยเวทนาทางใจ ภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความพิเศษเป็นความแปลกเป็นข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วกับบุตุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ท่านพระอาจารย์สุวัสวิจโจเป็นพระที่รักสันโดษโดดเดี่ยวเปลกวิเวกมีจิตฝังลงในพระตถาคตเจ้าด้วยศรัทธาที่มีเหตุผลมั่นคง เกี่ยวจาริกธุดงไปตามที่ต่างๆทั่วประเทศทั่วโลกไม่ยึดติดในหมู่คณะไม่ติดในสถานที่ไม่คลุกคลีกับใครหรือผู้ใดเป็นพระประเภทเอเกโกว่าเป็นผู้ผู้เดียวเที่ยวไปเพื่อปารถนาวิเวกเมื่อท่านได้หลักใจมีหลักธรรมแล้วก็เที่ยวออกสั่งสอนผู้คนทั้งในและต่างประเทศสมดังพระพุทธเจตนารมณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ถวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายนอกจากจะปาราบเรื่องพระกรรมฐานแล้วท่านยังเป็นพระที่สนใจไฝ่ศึกษาวิธีเดินปักในวันอุโบสถสังฆกรรมท่านก็คำนวณเป็นโดยไม่ต้องซื้อตำรามาอ่านนอกจากนั้น ท่านยังเป็นผู้สนใจในภาษาขอมเขียนอ่านภาษาขอมและอีกด้วยการเขียนการอ่านภาษาขอมนี้ท่านเรียนจากท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรท่านพระอาจารย์สุวั์ท่านเล่าว่าคำเทศสอนของหลวงปู่ฟัน่นและพระอาจารย์มหาบัวเป็นหัวใจของเราถึงครูบาอาจารย์ของท่านจะอยู่ไกลหรือว่าตายไปแต่ท่าน ยังคงเป็นสิทธิ์ที่ถือนิสัยในครูบาอาจารย์เสมอไม่มีวันเสื่อมคลายในสมัยที่ท่านพระอาจารย์ฟั่นยังไม่มรณภาพพระอาจารย์สุวัสด์ท่านเล่าว่าถ้าเราไปอยู่ที่ไหนไกลๆต้องกลับมากราบท่านเสมอเมื่อท่านพระอาจารย์ฟั่นมรณภาพไปเราไปอยู่เมืองนอกไปได้สักระยะหนึ่งก็ต้องกลับมากราบท่านพระอาจารย์มหาบัว เพราะรึกถึงบุญคุณของท่านท่านพระอาจารย์สุวัตนับได้ว่าท่านเป็นพระทุดงอย่างแท้จริงท่านล่าว่าบางปีท่านเดินทุดงถึงสองรอบคือจากจังหวัดสกลนครไปอุบลจากอุบลลงมาทางจังหวัดนครราชสีมาทุกๆครั้งที่ออกเดินท่านจะเดินด้วยเท้าเปล่าไม่ขึ้นรถคู่หูของท่านก็คือพระอาจารย์อินตา ไปทุ ด, ดงที่ไหนมักจะไปด้วยกันถูกอัธยาศัยกันเหมือนท่านพระารอาจารย์ฟั่นอาจารโธก็มีสาธรรมิกไปทุ ด, ดงที่ไหนท่านมักจะไปด้วยกันก็คือพระอาจารย์อ่อนยานศิริท่านพระอาจารย์สุวัตได้ทําประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นถึงที่สุดแล้วสมเป็นพุทธสาวกแล้วได้นําคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศกังวานไกลถึงต่างแดน เป็นที่เลื่อมสายของชาวต่างชาตินับว่าท่านเป็นพระธรรมทูตที่ไปเผยแพร่ศาสนาในต่างแดนได้ประสบผลสำเร็จท่านจึงเป็นพระประเภทปาสาะเลคูประโมคือสลักความดีลงบนแผ่นหินคือหัวใจไม่มีใครที่จะสามารถไปลบความดีนั้นทิ้งได้ถูกจารึกเป็นอนันตการเป็นเอกธรรมอันมีรถเดียวคือวิมุตติรถ เป็นเครื่องดื่มดำสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงคุณเช่นนี้แม้ได้ทิ้งเรือนร่างไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่5เมษายนพุทธศักราช2545เวลาบ่ายโมง12นาทีตรงกับบันแรม8ค่ำเดือน5สิริอายุรวม82ปี7เดือน7วันพันษา61 สังขารขันของท่านถูกทิ้งคืนเป็นเพียงธาตุไว้บนโลกเป็นการสละคืนโดยไม่มีเชื้อเหลือโดยแท้แห่งพุทธสาวกผู้หักรานอวิชชาลงได้ย่อมไม่มีวัตตะเพื่อที่จะบัญญัติต่อไปเป็นโอปาติกะธรรมผุดเกิดปรินิพานในชาติปัจจุบันด้วยอาศัยปฏิปทาที่อาถารชานฉลาดสมดัง พระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอแล้วก็ไม่ใช่ของใครอื่นเพิ่งเห็นว่ากรรมเก่านี้เป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นถูกจงใจจำานงขึ้นมาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว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 เสียงธรรมได้ประกาศกล้องทั่วสามแดนโลกธาต t แล้วธรรมะที่ท่านพระอาจารย์สวัสดิ์สวจโจแสดงเป่าประกาศแล้วจะแสดงท่วงทานองอันไพเราะด้วยบทเพลงคือไตรรักษนาให้ประจักษ์แก่มวลมนุษย์ผู้หลงตัวได้ตื่นต้นพ้นขาดเขาดังโอวาทที่ท่านพร่ำสอนสิทธิ์อยู่เสมอว่าเราคนเดียวเที่ยวรักเที่ยวโกรธ จะไปโทษใครแก้อะไรใครได้ก็ไม่เท่าแก้ใจตนเพียงคนเดียวแต่สําหรับอาการิกธรรมที่ท่านครองอยู่นั้นจะเป็นปัจจุบันธรรมคู่โลกคู่สงสารตลอดไปเป็นพุทธังธรมังสังขังสรนงังคัจฉามิเป็นธรรมธาตุธรรมทิติิอบอุ้มสามแดนโลกธาตุให้พาสุกร่มเย็นตลอดมา และจะตลอดไปเทพม้วนนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นอาจารย์บูชาเนื่องในโอกาสทำบุญครบหนึ่งรวันหลังจากการละสังขารของพระอาจารย์สุวัสด์สุวัจโจข้อความอันใดที่ข้าพระเจ้าเขียนบรรยายผิดพลาดไปขอท่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดถือคติธรรมที่หลวงปู่สุวัสด์สั่งสอนอยู่เสมอว่าถ้าขาดให้ช่วยต่อ ไม่พอให้ช่วยเพิ่มถ้าตกให้ช่วยเติมช่วยแต่งต่อให้บริบูรณ์คณะสิทธยาณุสิทธิ์14มิถุนายนพุทธศักราช2545